ตั้งจิตไว้เพื่อมีให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้บังเกิดขึ้นเพื่อละอากุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นและเพื่อรักษากุศลธรรมนั้นไว้ให้ตั้งอยู่ไม่เลือนหายจนยิ่งเจริญงอกงามไพยบู์ขึ้นเต็มเปี่ยมเจสัมมาสติคือการระลึกชอบ